ผมขออยู่ด้วยสมผัสสยองสวัสดีครับผมชื่อตรีวันนี้อยากจะมาแชร์ประสบการณ์เรื่องราวสยองขวัญของผมให้ฟังมันเป็นเรื่องราวที่แปลก ที่มีใครสักคนที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนมาขออยู่ด้วยกันกับผมและจากที่ผมไม่เคยเห็นผีแบบจังๆมาก่อนจนโตมาถึงตอนนี้ก็ต้องกลับใลายมาเป็นคนเห็นผีแรกๆก็กลัวอยู่เหมือนกันเป็นใครจะไม่กลัวล่ะครับเห็นคนที่ตายไปแล้วทุกวันวันละหลายๆตนแต่ตอนนี้ผมก็เห็นจนเริ่มเกิดเป็นความเคยชินไปเสียแล้ว และต่อไปนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตัวผมเองอย่างที่ผมไม่เคยคาดคิดมาก่อนและสิ่งนั้นมันยังคงอยู่กับผมจนถึงทุกวันนี้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นเมื่อปีพศส5 6 0หารอยสิ 60, หรือปีที่แล้วนี่เองครับผมเป็นคนจังหวัดนครพนมมีพี่ชายสองคนพี่คนโตชื่อเอกคนกลางชื่อโท ส่วนผมที่เป็นคนสุดท้องมีชื่อว่าตรีพี่ชายของผมอยู่ที่จังหวัดสุรินกับแฟนของเขาตอนนั้นผมได้มีโอกาสไปเที่ยวหาพี่ชายอยู่ที่นั่นเป็นเวลาสามเดือนและได้ไปเรียนวิชาสายขเขมรกับอาจารย์ท่านหนึ่งตั้งแต่ที่ผมเรียนวิชาแบบนั้นมาก็เริ่มจะเป็นคนที่พบเจอกับเรื่องราวแปลกๆพบเจอกับวิญญาณต่างๆอยู่บ่อยครั้ง มันเหมือนกับว่าเขาต้องการให้ผมเห็นที่สำคัญผมสามารถพูดคุยกับวิญญาณนั้นได้อีกด้วยจนถึงวันที่ผมต้องกลับจากสุรินมาที่นครพนมซึ่งผมต้องขับรถกลับเพียงลำพังออกจากบ้านพี่ชายเวลาประมาณ 5.00 โมงเย็นระยะทางที่ต้องเดินทางนั้นก็600กิโลเมตรกว่าๆที่สำคัญต้องผ่านอำเภอภูพาน จงวัสกลนครเป็นเทือกเขาภูผานซึ่งเส้นทางนั้นต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นเส้นทางที่มีคนตายอยู่มากและแน่นอนว่าผมจะต้องเห็นวิญญาณที่อยู่บนเส้นทางนั้นมากเช่นเดียวกันถ้าถามผมว่าผมกลัวไหมผมบอกเลยครับกลัวมากเหมือนกันเพราะยังไม่ชินกับการเห็นผีผมขับมาเรื่อย จนมาถึงยอดเทือกเขาภูผานตอนนั้นก็เป็นเวลาสองทุ่มกว่าแล้วผมเห็นเด็กหนุ่มคนหนึ่งซึ่งดูเหมือนกับคนธรรมดาทั่วๆไปแต่ว่ามันกลับไม่ธรรมดาอย่างที่ผมคิดขณะที่รถของผมกำลังจะวิ่งผ่านไปเด็กคนนั้นก็วิ่งเข้ามาที่หน้ารถผมตกใจมากรีบเหยียบเรยบรกแต่ว่าไม่ทันรถของผมชนกับเด็กคนนั้นเข้าอย่างจัง แต่ปรากฏว่าไม่มีเสียงชนหรือการกระแทกใดๆเกิดขึ้นเลยส่วนเด็กคนนั้นก็หายไปผมตกใจมากจอดรถลงไปดูก็ไม่เจออะไรแต่พอหันหลังกลับมาเท่านั้นแหละก็เห็นมีวิญญาณไม่น้อยกว่าสิบตนยืนมองผมอยู่ผมาวาลม้มลงนั่งทั้งยืนเพราะตกใจมากแต่ก็พยายามทำใจดีสู้เสือไม่พูดอะไร รีบขับรถออกไปพอพ้นเขตภูผ่านตอนนั้นผมโล่งใจมาแต่พอหันไปดูกระจกมองหลังก็เห็นเด็กหนุ่มคนนั้นนั่งอยู่ในรถของผมจึงอูดหานออกมาเฮ้ย hey! อะไรวะเนี่ยออกไปออกไปจากรถกู ผีก็อยู่ส่วนผีคนก็อยู่ส่วนคนสิวะอย่าตามมากลับไปเดี๋ยวถึงบ้านจะทําบุญไปให้เพราะผมไล่เขาลงจากรถวิญญาณเด็กคนนั้นก็หายไปผมขับรถต่อไปจนกลับมาถึงบ้านก็เห็นพ่อแม่แล้วก็แฟนของผมมารอรับผมอยู่ตอนนั้นก็เป็นเวลาสี่ทุ่มเกือบห้าทุ่มแล้วเพราะขนของลงจากรถเสร็จ ก่อนที่ผมจะไปอาบน้ำเพื่อเตรียมตัวเข้านอนก็บอกให้พ่อแม่และแฟนของผมไปนอนก่อนในขณะที่ผมกำลังเปิดฝักบัวเพื่ออาบน้ำก็ได้ยินเสียงหนึ่งดังมาจากในห้องครัวเหมือนกับว่ามีคนกำลังหาอะไรกินอยู่ในครัวแต่ตอนนั้นผมก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะคิดว่าแฟนผม หรืออาจจะเป็นใครสักคนมาหาอะไรกินแต่พอผมออกมาจากห้องน้ำก็ไม่เห็นใครพอเดินเข้าไปดูในครัวก็เห็นว่าของในครัวทุกอย่างอยู่ประจำที่ไม่มีอะไรผิดปกติตอนนั้นผมเริ่มคิดแล้วว่าต้องมีอะไรตามผมมาแน่หลังจากตรวจดูความเรียบร้อยทุกอย่างภายในบ้านแล้วผมก็เข้านอน พอตกดึกแฟนผมก็ละเมอพูดออกมาว่าออกไปออกไปออกไปเธอพูดอยู่อย่างนั้นซ้ำๆก่อนหน้านั้นเธอไม่เคยละเมออะไรแปลกๆแบบนี้เลยมันยิ่งทำให้ผมสงสัยมากขึ้นไปอีกผมรีบปลุกแฟนขึ้นมาแล้วถามเธอว่าเป็นอะไรเธอก็บอกกับผมว่าฟันร้าย เธอฝันว่ามีเด็กผู้ชายคนหนึ่งวิ่งมากอดขาจนทาให้เธอนั้นไปไหนไม่ได้แล้วเด็กคนนั้นก็ยังพูดอีกว่าพี่สาวช่วยคุยกับพี่ผู้ชายให้หน่อยหนูอยากอยู่อยากมาอยู่ด้วยพอผมได้ยินก็ตกใจจึงถามลักษณะของเด็กคนนั้นว่ามันตรงกับเด็กที่ผมพบเจอหรือเปล่าแล้วก็ปรากฏว่ามันเป็นเด็กคนเดียวกัน กับที่ผมเจอที่ผูผ่านย่างไม่ผิดเพี้ยนหลังจากนั้นผมก็บอกให้แฟนผมนอนต่อส่วนตัวผมก็ตั้งจิตเพื่อบอกกับเด็กคนนั้นว่าอย่ามายุ่งไม่อย่างนั้นอย่าหาว่าไม่เตือนแต่มันกลับไม่ได้ผลอย่างที่คิดเพราะหลังจากวันนั้นเด็กผีนั้นก็เล่นงานแม่ผมก่อนเลยแม่เล่าให้ผมฟังว่าแม่เจอผีตนหนึ่ง มีแต่ขาไม่เห็นตัวไม่มีแม้แต่เงาเมื่อแม่เห็นก็พยายามปลุกพ่อให้ตื่นพอพ่อตื่นขึ้นมาพ่อก็เห็นผีเด็กนั้นเหมือนกับแม่ที่เห็นเลยขาของเด็กคนนั้นยังยืนอยู่ที่เดิมแม่เริ่มจะร้องไห้เพราะแม่ผมเป็นคนกลัวเรื่องพวกนี้อยู่แล้วส่วนพ่อผมก็ตะโกนเรียกผมในทันทีหลังจากตะโกนเสร็จ ผมยังไม่ทันที่จะขานตอบเด็กคนนั้นก็หายไปพอดูนาฬิกาตอนนั้นก็เป็นเวลาตีสองกว่ า, วาแล้วแม่ลุกมาเปิดไฟทุกดวงภายในบ้านแฟนผมก็เป็นไปกับเขาด้วยเปิดไฟทั้งห้องแล้วก็นอนพอเช้ามาเธอก็เล่าให้ผมฟังอีกว่าตอนที่ผมหลับไปนั้นเด็กคนนั้นมาหาเธอในลักษณะที่นอนราบ เอาหลังติดกับฝ้าเพดานจ้องมองลงมาที่ใบหน้าของเธอแล้วบอกว่าช่วยคุยกับผมให้หน่อยเขาอยากมาอยู่ด้วยแต่การมาของเด็กคนนั้นทำให้แฟนผมกลัวมากสักพักเด็กคนนั้นก็หายไปแล้วลงมายืนอยู่ที่พื้นจากนั้นก็วิ่งเข้ามากอดขาจนทำให้เธอนั้นไปไหนไม่ได้เด็กคนนั้นพูดว่า ช่วยคุยกับพี่ชายให้หน่อยจังหวะที่แฟนผมกำลังร้องด้วยความกลัวผมก็ปลุกเธอตื่นเมื่อตั้งสติได้และเป็นจังหวะเดียวกันกับที่เห็นแม่ลุกขึ้นมาเปิดไฟแฟนผมเลยลุกออกมาด้วยพอเธอเล่าจบผมก็เริ่มกังวลกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วในคืนต่อมาพอใกล้ค่าพ่อแม่และแฟนผม ก็บอกผมว่าจะพากันไปนอนที่บ้านสวนซึ่งอยู่อีกที่หนึ่งตอนนั้นผมคิดว่าพวกเขาน่าจะกลัวกันก็เลยขานรับไปว่าครับแล้วพวกเขาก็ได้ขับรถออกไปเหลือเพียงเด็ผมคนเดียวที่อยู่ในบ้านหลังนี้เพราะตกดึกเวลาประมาณหนึ่งทุมครึง่งก็มีความรู้สึกว่าเหมือนกับมีใครอยู่ด้วยภายในบ้าน แล้วเด็กคนนั้นก็มาหาผมจริงๆแต่คราวนี้ไม่ได้มาแค่ขามาเป็นตัวเลยและที่น่ากลัวกว่านั้นก็คือเด็กคนนั้นไม่มีหัวผมตกใจกลัวมากแต่ก็พยายามข่มใจเอาไว้แล้วพูดออกไปมึงจะลองดีกับกูเหรอพอพูดจบหัวของเด็กคนนั้นก็ค่อยๆออกมาผมเริ่มโล่งใจนิดหน่อย แล้วเขาก็บอกกับผมว่าจะขอมาอยู่ด้วยผมจึงตอบกลับไปจะอยู่ด้วยก็ได้แต่ต้องมีข้อแม้นะเขาพยักหน้าลงอย่างช้าๆเพื่อรับข้อเสนอแล้วผมก็บอกไปว่าถ้าจะอยู่ที่นี่ด้วยกันก็ได้แต่ข้อแรกบอกไว้ก่อนเลยนะจะไม่เลี้ยงไม่ให้อะไรกินทั้งนั้นส่วนวันไหนที่ไปวัดทำบุญก็จะทำไปให้ 2. บ้านหรือศาลก็จะไม่ทำให้ด้วยเหมือนกันถ้าอยากอยู่ก็หาที่อยู่เอาเอง 3. ห้ามให้คนในบ้านเห็นอีกเป็นอันขาดอย่าทำให้ใครเขากลัวยกเว้นเพียงแต่เราที่ปรากฏตัวให้เห็นได้แต่ให้มาในแบบคนปกติอย่ามาแบบนากรวยอีแล้วก็พวกคนนอกที่คิดเข้ามาทำอะไรไม่ดีภายในบ้านหรือพวกหัวขโมยก็จัดการหลอก แล้วไล่มันออกไปซะข้อสุดท้ายห้ามสร้างความเดือดร้อนให้ใครภายในบ้านและช่วยกันดูแลบ้านหลังนี้ให้อยู่กันอย่างสงบสุขที่พูดมาทั้งหมดตกลงไหมพอผมพูดจบเขาก็ตอบตกลงจากนั้นก็หายไปหลังจากวันนั้นชาวบ้านก็มักจะเห็นเด็กคนนั้นที่บ้านของผมเป็นประจำ แม้กระทั่งผู้ใหญ่บ้านก็ยังเจอจนวันหนึ่งที่ไม่มีใครอยู่บ้านวันนั้นได้มีขโมยเข้ามาในบ้านของผมแล้วขโมยของไปได้เมื่อผมกลับมาก็เห็นของภายในบ้านกระจัดกระจายจากการรื้อคนพะ เ, เก็บของเข้าที่เสร็จก็ไปแจ้งความมาไว้แต่ยังไม่ทันที่ตำรวจจะได้ทำอะไรไม่กี่วันหลังจากนั้น ขโมยที่เอาของไปก็นำของที่ขโมยไปนั้นกลับมาคืนผมทั้งหมดหลังจากนั้นธุรกิจบ้านผมที่ทำอยู่ก็ดีขึ้นเรื่อยๆและผมก็ยังทำบุญให้เขาอยู่ตลอดแม้กระทั่งในตอนนี้ก็ยังมีคนพบเจอเด็กคนนั้นอยู่ในบริเวณบ้านของผมอยู่เสมอนี่อาจจะเป็นเหมือนกับคำที่เขามักพูดกันว่าทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่วทำอย่างไรกับใครเขาเราก็ได้อย่างนั้นสมัมผัสสยอง